วปะพัติยะมหานามะแล้วก็อสชัชิเรียงลำดับนะวันต่อวันเลยแล้วก็วันที่ห้าเมื่อวันที่ห้าของการเข้าบัญศารนะทั้งห้าท่านก็เดินไปรู้ทำเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นไม่นานนะก็มีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นก็คือว่าในเมืองพารณสีเนี่ย มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งนะชื่อยสัสกุลบุตรผู้ถึงฐานหน้าความร่ำรวยแล้วก็มหาศาลทีเดียวได้ใช้ชีวิต ท, ที่สะดวกสบายเพราะพ่อแม่นะดูแลอย่างดีมีภาษาสามหลังคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าเลยคล้ายๆกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเรียกว่า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 เครื่องดนตรีก็พาดกายตามเนื้อตัวบ้างบางคนก็น้ำลายไหลบางคนก็ผ้าผ่อนหลุดลุยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ชวนให้เกิดความเพลิดเพลินใจเลยสำหรับยศกุลบุตรเนี่ยสิ่งที่เห็นมันคล้ายๆกับป่าช้านะคนนอนกายกองกัน ไม่มีสติสัมปรดีในรูปลักษณะาาการต่างๆที่ไม่ไดาดูไม่น่ามองก็เกิดความสลดนะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาพอเบื่อหน่ายขึ้นมาทำางก็เดินออกจากบ้านนะจากปราสาทแล้วก็เดินแบบไม่มีชิดไม่มีทางนะเป็นความเบือ่อเป็นความน่ายสุดๆ เดินไปเรื่อยๆจนทั้งเดินออกจากเมืองแล้วก็เดินตรงไปที่ป่าสิปฒนอมฤกไทยวันาจะเป็นเพราะว่าที่นั่นเป็นป่าที่ร่มรื่นมีกวางจะเคยไปตอนเด็กๆเดินไปก็บ่นไปที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ก็คือ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 จนถึงเช้าเลยนะเพราะว่าจากพรนานศีไปถึงป่ายสิบปตนมก็เป็นสิบกิโลแล้วเดินนานขนาดนั้นก็ยังไม่หายเบื่อนะก็ยังบ่นอยู่นั่นแหละที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพื่เจ้าก็ตอนนั้นเช้ามืดก็เสด็จจงกรมอยู่เห็นยาสกุลบุตรก็เลยพูดขึ้นมาว่าที่นี่ไม่วุ่นวาย ทีนี้ไม่ขัดขอ้องยาสกุลระบุตรก็แปลกใจก็เข้าไปสนทนากับพระพุทธเจ้ารองแสดงธรรมที่เรียกว่าอนุปปิกถาที่แล้วก็พูดถึงว่าทาและสีนั้นมันดีอย่างไรบ้างนำทำให้เกิดสุขอย่างไรพาไปสวรรค์ได้ ทำให้เกิดความพลั่งพร้อมในวัตถุในทรัพย์สมบัติหรือว่าในความสุขสบายในวันในโลกมนุษย์หรือว่าบนสวรรค์แต่หลังจากนั้นก็ชี้เห็นว่าแม้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้ความพึงพอใจกับเราแต่ก็ยังเจอไปได้วยโทษตรงชี้เห็นโทษของกาม ไม่ว่าการหยาบหรือการละเอียดนยก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็เป็นที่พึ่งพาใสายไม่ได้แล้วทีนี้ก็ทรงเชื้อเห็นประโยชน์ ง, งการออกจากกามออกจากกามคือออกจากกามมาสุขซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตรงกับความรู้สึกอารมณ์ของยะสะัสมุละบุตรเพราะว่าได้คุ้นเคยได้เสพ กับการมาเต็มที่แล้วก็เห็นว่ามันเป็นโทษไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเต็มอิ่มอย่างแท้แจริงแล้วพอพระเจ้าชี้ถึงเรื่องของการออกจากกามก็คือเน่คัมมะเน่คัมมะคือความปลอดโปร่งจากกามหรือว่าความไม่ยึดติดในกามไม่มีสิ่งเราย่อหยวนให้เกิดความยึดติดต่อไปก็สนใจ ก็ตามมาฟังตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งเ จ, จ้าได้ตรัสถึงเรื่องอริยสัจสี่ทีนี้แหละนะยสะกุลระบุตรก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระสวสดาบัลเลยเป็นการบรรลุ ธ, ธรรมพราะเกิดปัญญาว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความเข้าใจที่นำไปสู่ปัญญาในเรื่องของอนัตตานะ เพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแสดงว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้ของมันเองก็ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นก็คือเป็นอนัตตา น, นั่นเองแล้ไม่นานต่อมายสัสกุลระบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะว่าพ่อนี่มาตามมาตามแล้วก็เห็นรองเท้ามาตามที่ไปลาิปัตนัมเลือกไทยตะวันก็เห็นรองเท้ายสกุลระบุตร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 แล้วก็ต่วนทนนั้งอนิสงการออกจากทุกข์ออกจากกามพูดซ้ำนะเหมือนกับที่ได้จัดสอนยสกลบุตรก็ทำให้พ่อนี้ได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระสวสดาบันต่วยสกุลบุตรซึ่งนั่งอยู่ใกล้ใกล้แต่พ่อมองไม่เห็นได้ฟังซ้ำก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอระหันต์นับเป็นคารวะคนแรก คารุหัดคนแรกที่บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์โดยไม่ได้ออกบวชก่อนถพระปัญวัคคีนี่ยังถือว่าได้บวชนะยังได้บำเพ็ญเรียกว่าพรหมจันทร์ในความหมายที่เป็นการที่ไม่มีคู่ครองแต่ว่าจาตสกุลบุตรนี่พิเศษนะเพราะว่าจะไม่ได้บวชแต่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์ได้ เป็นคารวาสก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นะแล้วก็มีเยอะมากรวมทังกาลุธายีอัมมาตนะซึ่งเป็นเป็นอัมมาตของพระเจ้าสุดทอร์ธนะที่มาตามพระเจ้าในกับกลุ่มกบิละพัดมีกรณีหนึ่งมีอีกลายหนึ่งที่ที่แปลกเมื่อเราตรงข้ามกับตรงข้ามกับยัสกุลระบุเลยยัสกุลบุตรนี้ร่ํารวยมาก รวยพอๆกับพระราชาอย่างพระเจ้าสุดโทธนาเลยเพราะว่ามีประสาทสามหลังเหมือนกันรวยจนเบื่อนะพอรู้สึกพอรวามันไม่ใช่ทางออกของชีวิตไม่ทำให้พ้นทุกได้เลยอีกรายหนึ่งก็จนมากนะชื่อจิตหัตถะเป็นคนเลี้ยงโครเลี้ยงวัววันหนึ่งก็เผลอเข้ามาในวัด พระท่านก็เห็นว่าท่าทางจิตทหารนี่จะหิวก็เลยเอาอาหารมาให้จิตทหารที่นอาหารแล้วก็แปลกใจถามว่าเนี่ยเป็นพระนี่มีอาหารอุดมสมบูรณ์อย่างนี้เชรอก็ได้คำตอบว่าใช่เยคนศรัทธาก็นามาถวายจิตทหารนี่ยากจนพอเห็นว่า ถ้าเป็นเป็นพระนี่มีกินอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ก็คือว่าคงไม่ขาดนะแต่ก็คงไม่ได้พร้อมพรังอะไรก็เกิดสนใจอยากบวชเพรรู้สึกว่าชีวิตคารวะชีวิตการธรรมากินของตัวมันลำบากมาบวชเพราะว่าอยากสบายอยากกินอิ่มนอนอุน่นพอมาบวชแล้วนะ แม้ว่าจะได้กิ น, นอิ่มนอนอ่นก็ตามแต่ปรากฏว่าอึดอัดกับข้อวินัยนะจะทำตามใจก็ไม่ได้เพราะว่าพระนีมีข้อกำหนดนเที่ยวินัยเป็นศิษขาบทหลายข้อจะเที่ยวจะเล่นนะจะพูดจะวิ่งเต้นอะไรก็ไม่สะดวกก็เลยอึดอัดในสุดก็เลยขอลาศิษขา พอนึกถึงชีวิตที่มันมีเสรีภาพตอนเป็นขรุขระมากกว่าแล้วก็นึกถึงเมียด้วยมีเมียแล้วเป็นพณิชย์ไปยุ่งอะไรกับผู้หญิงไม่ได้ศึกไปไปอยู่กับเมียอยู่กับบ้านอยู่พักใหญนะ่ก็รู้สึกว่ามันลำบากนะการทำมาหากินฝืดเครืองนึกถึง ชีวิตที่สบายในวัดไม่ต้องทำมาหากินนะมีกินไม่ขาดแคลนก็เลยตัดสินใจบวชใหม่บวชเจนะอยู่ไปสักพักนะ อ, นอึดอัดอีกกับบินัยของพระนึกถึงเมียก็เลยศึกทำอย่างนี้อยู่หกครั้งนะบวชศึกบวชศึกบวชศึกหกครั้ง จนกทั้งคนนี้เขานายเขาราเลยว่าไม่ได้มีศรัทธาเลยกับพระศาสนาเลยเป็นคนใจคอโลเล่บวชครั้งที่6อ่ะศึกครั้งที่หนี่ก็กลับไปอยู่กับเมียแล้ววันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นเมียนอนดูไม่สวยไม่งามบรรยากาศคล้ายๆกับ ยัศะกุลบวชเลยแต่ว่าไม่ได้บรรยากาศไม่เหมือนกับป่าชาขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันไอการคลองเือนี่มันไม่ได้มีความสุขอะไรเลยก็ เ, เลยตัดสินใจครั้งนะว่าขอบวช ด, ดีกว่าระหว่างที่เดินไปนะเดินไปหาเดินไปที่วัดเพื่อจะขอบวชอีกครั้งหนึ่งก็นึกถึงชีวิตของคาราวานี้ถึง ภาพที่ได้เห็นคือภาพของเมียที่นอนแบบไม่มีสติซัมเปฤรดีน้ำลายไหลอะไรต่างๆเนี่ยก็เดินไปก็บ่นขึ้นมาในใจนี่คือมในใจมันทุกข์ทุกเหลือเกินมันน่าเบื่อเหลือเกินเดินไปก็บ่นไปนะเดินไปก็เกิดโปร่งสังเวชไปน่าเบื่อเป็นทุกข์เหลือเกิน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 สุท้จิตตหัตต์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เรื่องของยศกุลระบุตรกับจิตตหัตตนี้ก็มอเ น, นี้งานึงก็คือคนที่มาจากคนละคู่คนหนึ่งรวยไหมคนนึงก็จนเหลือเกินแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนก็นคือความเบื่อความเบื่อในชีวิตคฤหัสต์ความเบื่อกับชีวิตของการมีคู่ เบื่อของการที่ได้เบื่อในการมาสุขเมื่อเบื่อแล้วเนี่ยก็ถูกความทุกนั่นแหละผลักให้เข้าหาธรรมะให้เข้าหาพระพุทธเจ้าให้เข้าหาวัดคนเหล่านี้เนี่ยนะต้องสองท่านเนี่ยถ้าไม่มีความทุกข์ไม่มีความเบื่อหน่ายก็คงไม่เข้าหาวัด แล้วก็คงจะไม่ได้พบพระธรรมต่ว่ายังมีความพอใจนะมีความเพลิดเพลินในชีวิตก็คงจะยังอยู่กับเพศคารืดหัดต่อไปหรือก็ยังสนุกกับโลกอีกต่อไปแต่ความเบื่อนั่นแหละที่ทำให้เข้าหาวัดเข้าหาพระแล้วก็ไปพบธรรมะ มันไม่ใช่แค่ความเบื่องเดียวนะบางทีความเศร้าเสียใจความเศร้าเสียใจพ่อสูญเสียคนรักก็ผลักให้หลายคนเนี่ยข้อหาธรรมะเหมือนกันนในพระเตริฎกมีเรื่องราวของคนแบบนี้เยอะบางทีก็มาพบพระเจ้าโดยบังเอิญหรือมีคนแนะนำมาอย่างนางกีสาโคตมีที่เสียลูก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 เกิดกับผู้คนที่ยังเวีทว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบางคนไม่ได้เสียลูกนะแค่เสียคนรักซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแต่ว่าติดใจต้องใจอย่างสันตติอัมมาตนะเป็นอัมมาตของพระเจ้าพิมพิสารทำความดีความชอบจนกระทั่ง พระเจ้าผีพิสารยกยกราชสมบัติหรือบัลลังก์ให้เจ็ดวันนะมีแบบนี้เลยนะให้เป็นกษัตริย์อยู่เจวันกษัตริย์ชั่วคราวสันติย ม, มา ก, ก็ได้ทีก็เลยส่งสนานเต็มที่ถือโอกาสที่จะได้เสพสุขทั้งสุราทั้งทั้งดนตรีทั้งอาหารที่อ ร, อร่อย มีการเลี้ยงฉลองกันเจวันเจคืนไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปเลยมีผู้หญิงมาฟ้อนรำฟ้อนรำตลอดเวลากินไปด้วยเสพไปด้วยมีดนตรีขับกล่อมไปด้วยไล่รำให้ดูด้วยเรียกว่าเสพทั้งตาหูวจมูกลิ้นกายจนหน้าสุดท้ายนี้ยิ่งเวลาใกล้จะหมดก็ยิ่งเล่นเร่งมือใหญ่นะไม่ยอมปล่อยโอกาสทองหลุดมือเสพเต็มที่ ดูทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลิ้นทั้งลินทั้งกายให้หญิงสาวมาราล่ล้ำไม่หยุดเลยจนกระทั่งหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งสันติธรรมาชอบมากติดตาต้องใจจะไล่ล้ำจนหมดจนหัวใจวายเนเหนื่อยมากตายต่อหน้าต่อตาเลยพอรู้ว่าคนรักของตัวเองตายนี่ ฉันติเจมมานีสางเมาเลยหายเมาเลยนะเกิดความเสีย ใ, ใจแทนที่ความเศร้ามันท่วมท้นใจไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเคยพบกันด้วยความบังเอิญก็เลยเดินไปหาพระพุทธเจ้านะที่เชตวันอไม่ใช่ที่นอกเมืองเวลุวันพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยง แลก็เรื่องขันทที่มันมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นที่ยึดถืออะไรไม่ได้ยึดถืออะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยตอนทศเจมาฟังธรรมก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหรันต์ทั้งที่เมื่อสักครู่เมื่อไม่นานนี้ยังยังเมาอยู่เลยอันนี้ก็เป็นเป็นกรณีที่แปลกแต่ก็เหมือนกันนะอย่างที่พูดมาคือว่า ความทุกข์มันผลักให้เข้าหาธรรมะไอ้ตอนที่ถูกผลักก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะแต่ว่าเข้าถูกช่องเข้าถูกทางก็เจอธรรมะแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จนถึงสมัยนี้นะก็ยังมีคนมากมายนะที่ถูกความทุกข์ผลักให้ไปพบธรรมะ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 อายามุกมันก็มีมากมายเหลือเกินเฉพาะยาเสพติดอย่างเดียวก็มีไม่รู้กี่อย่างทั้งยาอีทั้งโคเคนทั้งฟินทั้งเฮรโรอีนยาบ้าอายามุก ค, คือการพนันก็มีมากมายหลายแบบเหมาะสาหรับคนทุกเพศทุกวัยถ้าเด็กๆก็อาจจะคุกกีรันถ้าโตหน่อยก็มี เ, เล่นพนันบอลมวยตู้สารพัด ยังไม่ต้องพูดถึงความสนุกสนานรื่นเรืองอย่างอื่นผับบาคาราเกตมองในงานี้เนี่ยคนสมัยนี้ก็เสียเปรียบคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเนี่ยพอถูกความทุกข์ผลักเนี่ยมันมีทางเลือกทางออกไม่กี่ทางถ้าไม่ไปเข้ า, ขาหาอบายามุขซึ่งมีอยู่น้อยนะก็เข้าหาธรรม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 คนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่าไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็ไปเข้าแกงพวกนี้ก็มีเยอะยิ่งมีเล่ามีอะไรต่างๆเข้ามาผสมรงด้วยก็ยิ่งหนักก็ไปใหญ่ไอ้ส่วนช่องทางที่จะเข้าสู่ธรรมะเนี่ยมันก็ค่อยเล็กลงเล็กลงไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่ช่องทางเข้าสู่ธรรมะนี่มันยังกว้างอยู่อาจจะไม่ได้กว้างมากแต่มันก็เปิดพอให้เห็นไอ้ส่วนช่องทางอื่นที่เป็นช่องทางที่เป็นอบาย หรือความเสื่ก็มีแต่ไม่เยอะเท่าสมัยนี้บางคนสมัยก่อนเนี่ยพอเจอทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ก็เลยนะเข้าหาธรรมได้ไม่น้อยแม้กระทั่งสมัยคนเมื่อสักสิบยปีหรือ30ปีก่อนนี่มีหลายคนทีเดียวนะที่เกิดความผิดหวังในชีวิตคารวาหรือว่าเกิดความผิดหวังใน ในความสุขที่เคยมีแล้วพรามันไม่ใช่คําตอบเวลาที่สับสนก็อาจจะมีก็มีบางช่วงบางแบบที่นึกถึงตอนเป็นเด็กได้ตามพ่อแม่ได้ตามตาตามยายเข้าวัดแล้วพบกับความสงบหรือบางคนก็ได้มีโอกาสบวชเนรบวชพระเสียเองแม้จะบวชเพียงแค่พรรษาเดียวแต่ความสงบนที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ ประทับใจอาตมาเองเนี่ยนะตอนที่บวชเนนบวชให้ย่าที่เสียชีวิตบวชแค่สามวันนะแล้วก็อยู่วันในกรุงเทพวัดวรจัญญาวาสก็อยู่แถวเนี่ยนะแถวถนนตกแต่แค่สามวันนี่มันก็สร้างความประทับใจที่ไม่เคยพบในสมัยตอนเรียนหนังสือ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 ซึ่งแน่นอนถ้าไม่ทุกข์ก็คงไม่ไปแต่ว่าเนื่องจากทุกข์จนกระทั่งไม่มีแทาไม่มีหนทางเหลือแล้วก็เลยเดินไปทางนั้นบางคนคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะแต่ว่าพอนึกถึงแว บ, บหนึ่งของช่วงชีวิตสั้นๆนะที่เคยมีความสุขความสงบก็เดินไปทางนั้นกลับไปทางนั้นแล้วก็สามารถจะพบกับชีวิตที่สงบสุขได้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 ชีวิตเนี่ยมันเราเหเร่ร่อนมีความทุกข์มากหาทางออกชีวิตไม่เจออยากจะรวยก็เห็นว่าความรวยไม่ใช่คาตอบอยากจะไปทำอย่างอื่นเป็นนักการเมืองต่างก็ไม่ใช่พอนึกถึงความสงบที่เคยได้รับจากตอนเป็นเด็กวัดก็ทาให้หันหวนเข้าหาธรรมะได้แต่ว่าคนรุ่นนี้นะ เด็กรุ่นนี้วัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยคงยาก น, นที่จะได้เกิดความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าบวชก็ไม่เคยบวชเข้าวัดก็ไม่ได้เข้าวัดนะชื่น อ, อยู่แต่คุ้นเคยแต่ห้างสรรพสินค้าโรงหนังนกเกมคอมพิวเตอร์นะถึงจุดหนึ่งเกิดความเบือนะ่อนะเบื่อกับชีวิตเบื่อการมาสุขอย่างยศกุลบุตร หรือว่าประสบความทุกข์อย่างสันตเตรียมมาด ก, ก็ไม่มีทางไปก็เข้าหาล่าเข้หายาเสพติดได้ง่ายเหลือเกินอย่างแล้วก็ตามนะนั่นน่นเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของวัยรุ่นแต่สาพวกเราเนี่ยนะก็ได้มีโอกาสมาเจอธรรมะแล้วเนี่ยก็ถือเป็นผู้ที่มีโชคดีเวลามีความทุกข์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ก็ขอให้เราลึกถึงช่วงที่เราได้พบความสงบในวัดหรือจากการปฏิบัติหรือจากการได้พบธรรมะถ้าเกิดว่าเราเลือกตรงนั้นเนี่ยนะความทุกข์มันมีประโยชน์นะความทุกข์มันจะผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้ความทุกข์ไม่มีใครชอบนะความสูญเสียความพัดพรา้าความเจ็บป่วยแต่มันก็สามารถจะผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้นี่คือข้อดีของความทุกข์ แล้วยิ่งถ้าเราเคยเคยพบเคยสัมผัสกับความความสงบแม้จะเพียงช่วงสังส้นๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเข้าหาพร้อมที่จะให้ทำให้ให้ทุกเนี่ยผลักเข้าหาธรรมะได้แต่เมื่อเข้าหาธรรมะแล้วเนี่ยถึงที่สุดเราก็ต้องกลับมาเผชิญกับทุกนะต้องมาเผชิญกับทุกเผชิญหน้ากับมันอย่าอย่าคอยให้ทุกเนี่ยมันผลักหลัง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 อันนี้ก็คล้ายกับพราสิตของคนจีนนะั่นที่บอกว่าถ้าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าทำเสือถ้าไม่กล้าเข้าทำเสือก็ไม่เจอลูกเสือนะลูกเสือเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับชาวพูดลูกเสือคือนิโรธหรือความพ้นทุกข์ถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเข้าทำเสือซึ่งเต็ไมไปด้วยอันตรายหลวงปู่คงมาท่านยังบอกว่าเนี่ยถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องเข้าหาทุกข์ ถ้ากลัวทุกก็จะไม่มีทางพ้นทุกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนะกล้านนะที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกแล้วก็ไม่ใช่แต่รอให้ทุกมาหาเราอย่างเดียวบางทีเราต้องเข้าหาทุกด้วยนั่นะเหมือนกับคนที่เต็มใจเข้าถ้าเสือเพื่อทจะได้เอาลูกเสือมาออกมาช้าหนีทุกแต่พึ่งพื อ, ะพอนะ ก็คงจะพ้นทุกข์ได้ยากแต่ถ้ า, ากว่าเรากล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์กล้าที่จะเข้าหามันท า, ทางพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เชาาวันนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้